บุ๊กทูสามสิบที่ร้านอาหารสอง 2. 2> ขอน้ำแอปเปิลครับ u, pros ขอน้ำมะนาวครับ ลิมอนนั่ p r o s ร m ิมขอน้ำมะเขือเทศครับปราดาอิกกูวูส์ทีวูโปรสิมผมขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับรสิมซี่พ็รชีร์น่วีนาผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครับโรสิมซี่พ็าร์บีเล่วีนา ผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับปรอซิมซี่ฟลาชูแชมเปญสเกคุณชอบปลาไหมครับมาเชรัตราดาริบบคุณชอบเนื้อวัวไหมครับมาเชราตราดาฮาวด i n อมัสโซคุณชอบเนื้อหมูไหมครับ มารชร์ดรดาบราอชโวเเมสซผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ดัมซินียชเบสเมซาผมต้องการผักรวมหนึ่งชุดดัมซิเซลลิโวูมิสูผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นานดัมินี คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมครับคุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับ รสชาติไม่อร่อยโตมิเงฟูจิอาหารเย็นชืดเจดลอเยสตูเยนผมไม่ได้สั่งจานนี้โกสมซิเนอบเอ็ดนลกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e